วันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2563เป็นวันที่เรามีเวลาว่างที่จะมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาความจริง ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรัรงแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราเพื่อให้พวกเราได้รู้ความจริงของชีวิตของพวกเรารู้ความจริงของความสุขของชีวิตของพวกเรารู้เคล็ดลับของชีวิตของพวกเราว่าอยู่ที่ตรงไหน เคล็ดลับของความสุขของชีวิตของพวกเรานี้ถ้าเราไม่ได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเราจะคิดว่าเคล็ดลับของชีวิตของความสุขของพวกเราอยู่ที่ร่างกายร่างกายของเราต้องสมบูรณ์แข็งแรงมสีสุขภาพดี แล้วถ้ามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามก็จะทำให้เรามีความสุขกันนอกจากนั้นแล้วนอกจากการมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่พิกลพิการไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีแล้วก็มีความสวยงามแล้ว เรายัางต้องมีราบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะชนิดต่างๆให้พวกเราได้เสพได้สัมผัสกันนี่คือเข็ดลับของชีวิตของความสุขของพวกเราพวกเราทุกคนจึงมุ่งไปที่จุดเหล่านี้กันมุ่งไปที่ การดูแลร่างกายรักษาร่างกายให้แข็งแรงให้สมบูรณ์ไม่ให้พิกลพิการไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เสริมความงามด้วยวิธีการต่างๆด้วยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเท่ า, า, าที่จะหามากันได้ แล้วก็มุ่งไปที่การหาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองได้ทรัพสมบัติแล้วก็อยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์รวยแล้วทีนี้ก็อยากจะเป็นใหญ่มีเงินก็ซื้อใช้เงินซื้อตำแหน่งต่างๆได้ซื้อสอสอซื้อรัฐมนตรตีซื้อนายกได้ พอได้ตำแหน่งต่างๆแล้วก็จะได้สรรเสริญตามมามีคนอยากจะยกย่องสรรเสริญเข้าอกเข้าใจแล้วก็ต้องมีรูปเสียงกลิ่นลจากคนนั่นคนนี้จากสิ่งนั่นสิ่งนี้มาให้ความสุขกัน แต่ความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้มันเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนน่าเป็นความสุขเดียวเดียวได้ตอนที่เวลาไดมาใหม่ๆเวลาไดอะไรมาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเงินทองเช่นวันนี้เดี๋ยวใครถูกก็าตะรเ่ดูเลยความสุขจะโอ้ท่วมหัวใจ เดี๋ยวไม่กี่วันมันก็หมดถึงแม้เงินที่ได้มายังไม่หมดแต่ความสุขความดีใจที่ได้จากการถูกกัลติเร่นี้มันเดี๋ยวเดีย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวพอใครมาดา่าเราหน่อยความสุขที่ได้จากการถูกกัลติเร่ก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากการที่ถูกคนอื่นเข้าดา่า ก็จะเข้ามาทันทีแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปกับทุกเรื่องทุกอย่างได้เงินทองมาได้คนนั่นคนนี้มาเป็นแฟนเป็นอะไรกันเดี๋ยวไม่ทันอะไรก็ทะเลาะกันนอทะเลาะกันความสุขที่ได้จากการได้เป็นแฟนกันก็หายไปกลายเป็นคู่ต่อสู้กันไป นี่คือลักษณะของความสุขที่พวกเราหากันเพราะเราไม่รู้ความจริงนั่นเองเราไม่ใช้ปัญญากันเราเอาแค่ความสุขที่มันเกิดขึ้นในชั่วขณะที่เราได้นั้นได้ลาบมาก็ดีใจได้ยศมาก็ดีใจได้สารเสร็่มาก็ดีใจ ได้ความสุขจากรูปเสียงเก่งลดจากคนนั้นคนนี้ของจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ดีใจแต่ดีใจเดียวเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกเฉยเฉยทำให้เรารู้สึกว่าต้องหามาใหม่เพื่อจะได้ความสุขแบบนั้นใหม่ถูกตะลรง่้งวนนี้แล้วเดี๋ยวมวหน้าก็ต้องถูกอีกมันต้องการความรู้สึก ที่ได้จากการถูกกัตเตอรี่นะพอมันได้ปั๊บเดี๋ยวมันก็จางหายไปเดี๋ยวงวดหน้าก็ต้องซื้อใหม่มกลายเป็นติดกันความสุขแบบนี้มันจะทําให้เราติดกันเป็นเหมือนยาเสพติดได้ความสุขจากการถูกกัตเตรี่งวดนี้แล้วเดี๋ยวงวดหน้าต้องเล่นต่อคนเล่นการพนันที่เลิกไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีความรู้สึกตื่นเต้น เวลาที่มันจะได้หรือเวลาที่มันได้ในเวลาที่มันเสียมันก็เกิดความเสียอกเสียใจเสียอกเสียดายอยากจะได้คืนมามันก็ต้องเล่นกันอยู่เรื่อยๆต้องแทงหวยกันอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอะไรแบบเดียวกันได้อะไรมาแล้วก็ดีใจกันไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็ปล่อยให้เรารู้สึกว่างๆ พราะมันจางหายไปแล้วความรู้สึกที่ได้ตอนที่ได้มาใหม่ๆมันเหมือนกับขึ้นสวรรค์เมันเหมือนจะลวดพุง่งพรวดขึ้นไปเลยเพอเดี๋ยวตรวจลตเตอรี่ดูเลยถ้าถูกลิใจมันพุ่งขึ้นไปเลยแล้วเดี๋ยวปั๊มมันก็หายไปแล้วความสุขอนั้นนะมันก็เลยทําให้เราติดติดกับความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆ พอมันจางหายไปเหมือนควันไฟเนี่ยเราก็ต้องไปหามาใหม่ทั้งๆ ท, ที่ความจริงเราไม่ต้องการเงินที่ได้จากการถูกกัตเตอรี่หรอกแต่เราต้องการความรู้สึกที่เราได้จากการถูกกัตเตอรี่หรือจากการที่เราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราได้มามันก็ยังอยู่กับเรา <Yeah. S 1> ซื้ออะไรมาใหม่ๆโอ้ดีออกดีใจ เดี๋ยวไม่กี่วันความรู้สึกนั้นก็หายไปของที่ได้มาก็ยังอยู่รองเท้าที่ซื้อมาก็ยังอยู่กระเป๋าที่ซื้อมาก็ยังอยู่ชุดเสื้อผ้าที่ซื้อมาก็ยังอยู่แต่เอ๊ะทำไมมันไม่ได้ให้เรามีความรู้สึกแบบตอนที่ได้มาใหม่ๆนี่แหละมันก็เลยต้องไปซื้ออีกชุดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> พอจะได้ความรู้สึกแบบนั้นมาอีก ซื้อไปกี่รอบซื้อไปกี่ครั้งมันก็แบบเดียวกัน <Yeah. S 1> แล้วถ้าไม่ได้ซื้อก็รู้สึกเหงาเงารู้สึกขาดขาดอะไร <Yeah. S 1> ไม่มีรถไม่มีชาชีวิตรู้สึกจืดชืดไป <Yeah. S 1> นี่แหละคือความสุขที่พวกเราคิดกันว่าเป็นเป็นความสุข <Yeah. S 1> แต่ถ้าลองใช้ปัญญาวิเคราะห์หน่อยนี้แบบนักปราชญ์ท่านว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะมันทำให้เราติดกัน yeah. ขาดมันไม่ได้เวลาหาไม่ได้นะรู้สึกเหงารู้สึกว่าวเวรู้สึกเกิดอดัดรู้สึกหนุดเย็ดรู้สึกจืดชืดทั้งๆ ท, ที่มีของเข้าของเยอะแยะไปหมดเงินทองที่ได้มาก็ยังมีอยู่แต่มันไม่รู้สึกตื่นเต้นสดชื่นเบิกบานเหมือนกับตอนที่ได้มาใหม่ นี่แหละคือความหลงหรือความความไม่รู้ความจริงของเคล็ดลับของความสุขของชีวิตของพวกเรา อ, นนอยู่ที่ไหนกันเราก็ไปหลงติดกับความสุขที่ได้จากรายกยศสรรเสริญความสุขที่ได้จา ก, ก, ก, ก, ก, ก, ก, การูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความสุขที่ได้จากการ มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีร่างกายที่สวยงาม <c oughs> อันนี้ถ้าไม่ได้มาฟังธทมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้สัจธรรมความจริงของชีวิตว่าความสุขเคล็ดลับของความสุขของพวกเรานี้อยู่ที่ตรงไหนทำไมต้องเรียกว่าเคล็ดลับก็เพราะว่ามัน ถ้าไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้ศึกษาธรรมะมันจะไม่มีวันรู้เคล็ด mm hmm. ลับของความสุขของชีวิตที่แท้จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่ที่ใจของพวกเรานี่ mm hmm. ใจของพวกเรานี่พระพุทธเจ้าบอกใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน mm hmm. ใจเป็นตัวการตัวสำคัญที่สุดในเรื่องของการให้ความสุขให้ความทุกข์กับพวกเรา พระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะมีความสุขถ้าใจเราคิดดีพูดดีทำดีความสุขมันจะตามมาใจของเราจะมีความทุกข์ถ้าพวกเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีไม่ว่าเราจะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามมีเงินกองเท่าภูเขา ลองไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเท่าแล้วเป็นยังไงไปขับรถชนตำรวจตายแล้วเป็นยังไงนีคดีความมากี่ปีแล้วทุกข์รู้สึกอยู่บนกองเงินกองทองเท่าภูเขาแต่ใจนี้กับทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกข์เพราะว่าจะต้องถูกจับไปลงโทษ ต้องไปติดคุกติดตารางสาเหตุเกิดจากความประมาทเนื่เกิดจากความหลงระเริงคิดว่าร่ำรวยสามารถทำอะไรได้อยากจะขับรถเร็วก็ขับได้อย่างมากก็เสียค่าปรับถ้าตำรวจจับแต่ไม่ได้คิดว่าถ้าเกิดไปชนคนตายเขาจะทำยังไง ตายเป็นคดีความขึ้นมาผลจากการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีไปทำผิดกฎหมายไปทำผิดกฎจริยธรรมคือไปทำบาปข้อใดข้อหนึ่งเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปด การดื่มสุรายาเมาและสิ่งเสพติดต่างๆสมัยนี้มันมีมากกว่าสุราที่ทำให้คนเรามัวเมากันสมัยโบราณมีแค่สุราศินห้าก็เลยบวงแค่สุราสมัยนี้มีทั้งกัญยาอากัรชายาฝิ่นยาบ้ามีอะไรต่างๆของพวกนี้เมื่อเสพเข้าไปแล้วจะทำให้ขาดสติ จะทำให้ควบคุมความคิดการพูดการกระทำที่ไม่ดีได้ไม่ได้พอเสร็จก็ไปแล้วก็จะเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาแล้วก็จะไม่รู้ผิดถูกดีชั่วนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความสุขและสร้างความทุกข์ที่แท้จริง ถ้าคิดดีพูดดีทำดีใจจะมีความสุขตามมาและเป็นความสุขที่อยู่อยู่นานกว่าความสุขที่ได้จากการได้ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆมาเป็นสมบัตินี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราควรที่จะให้ความสำคัญกัน คือจิตใจของพวกเราซึ่งตอนนี้จิตใจของพวกเรายังไม่ได้รับการควบคุมดูแลเพราะเราไม่เคยรู้ว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาควบคุมดูแลกันเราหลงไปคอยควบคุมดูแลร่างกายของพวกเราไปควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของพวกเราปล่อยให้ใจมันเป็นไปตามยถากรรม ปล่อยให้มันคิดไปตามเรื่องของมันมันอยากจะคิดดีก็คิดไปอยากจะคิดชั่วคิดไม่ดีก็คิดไปพอคิดแล้วมันก็พาให้เราไปพูดไม่ดีทําไม่ดีต่อไปพะพุทธเจ้าทรงสอนว่าพวกเราต้องมาเปลี่ยนการดูแลสิ่งของต่างๆ จากการดูแลร่างกายดูแลทรัพสมบัติเข้าของเงินทองดูแลราบยศสรรเสริญสุกเนี่ให้มาดูแลจิตใจของเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้เลิกดูแลร่างกายไม่ได้ให้เลิกดูแลราบยศสรรเสริญแต่ให้ดูแลพอประมาณพอตามกำลังของเรา แล้วก็ไม่ต้องไปให้มันดีมากเกินไปเพราะว่ามีมากมีน้อยมันก็ไม่ได้ทำให้ความสุขเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงแต่อย่างใดแล้วไม่ว่าเราจะดูแลอย่างไรของพวกนี้วันใดวันหนึ่งมันก็ต้องสิ้นสุดลงชีวิตของเราร่างกายของเราต่อให้เราดูแลดีขนาดไหนก็ตาม ในที่สุดมันก็ต้องเจอวันตายเขาแน่ไม่แน่ว่าจะต้องมาตายในตอนที่แก่การตายนี้มันตายได้จากหลายสาเหตุด้วยกันตายจากอุบัติเหตุก็ได้ตายจากโรคระบาดก็ได้ช่วงนี้มีคนที่ไม่คิดว่าจะตายว่าตายจากโรคระบาดกันเยอะแยะอุบัติเหตุนี่ ไม่คิดว่าคนนี้จะตายอยู่ดีๆก็ไปเจออุบัติเหตุลดความตายบ้างหรือบางคนก็ตายด้วยน้ำมือของตัวเองตายด้วยการฆ่าตัวตายก็มีทั้งๆ ท, ที่รับหัวง่างกายของตนแต่เมื่อเจอความทุกข์ที่เกิดจากความคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีของตนทำให้ทนอยู่กับความทุกข์นั้นไม่ไหว เขไม่รู้จากวิธีหยุดความทุกข์เหล่านั้นว่าหยุดอย่างไรก็เลยคิดว่าเป็นการฆ่าตัวตายนี่เป็นวิธีที่จะทําให้ความทุกข์หายไปแต่มันไม่หายหรอกเพราะความทุกข์มันอยู่ในใจที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีไปฆ่าร่างกายมันไม่ได้ไปทําให้ความคิดไม่ดีการพูดไม่ดีการกระทําไม่ดีหายไป เดี๋ยวมันก็ไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีใหม่เดี๋ยวไปเกิดใหม่ได้ร่างกายอันใหม่มันก็จะคิดแบบเดิมอีกเคยคิดไม่ดีก็จะคิดไม่ดีต่อไปเคยพูดไม่ดีทําไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทําไม่ดีต่อไปถ้าเราไม่มาแก้ที่ใจไม่มาเปลี่ยนการคิดไม่ดีการพูดไม่ดีการทำไม่ดีให้มาเป็นการคิดที่ดีพูดที่ดีทาที่ดี ถ้าไม่มาเปลี่ยนมันมันไม่เปลี่ยนเองเพราะมันเป็นนิสยัยเหมือนพวกเราคงจะรู้ว่าพวกเรานี้มีนิสัยถนัดมือซ้ายหรือถนัดมือขวากันทำไมทุกคนไม่ถนัดมือแบบเดียวกันทำไมบางคนถนัดมือขวาทาไมถนัดมือซ้ายแล้วทำไมไม่เปลี่ยนถนัดมือขวาแล้วทำไมไม่มาเปลี่ยนมาใช้มือซ้าย ถนัดมือซ้ายทำไมไม่มาเปลี่ยนมาใช้มือขวาเพราะมันยากอยู่ดีๆถ้าไม่มีเหตุบังคับให้มันเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนได้ถ้าเกิดมือขวาที่เราถนัดเกิดมันขาดไปจะทำยังไงใช้ไม่ได้มันก็ต้องมาใช้มือซ้ายที่มันมีอยู่ตอนหัดใช้ใหม่ๆมันก็รู้สึกเก้ๆก๊กังๆไม่ถนัดแต่พอหัดใช้ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ใช้ได้เหมือนกับมือขวาอันนี้ความคิดของพวกเราก็เหมือนกันใจของพวกเราถ้าถนัดคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็เปลี่ยนมันได้ด้วยการฝืนเหมือนเวลามันจะคิดไม่ดีเราก็หยุดมันถ้าหยุดใจได้แล้วการกระทาทางวาจาทางกายมันหยุดตามไปเอง เพราะต้นต่อของการคิดของการพูดไม่ดีทําไม่ดีมาจากการคิดไม่ดี <Yeah. S 1> ก่อนที่เราจะพูดอะไรก่อนที่เราจะทําอะไรนี้ใจต้องเป็นผู้คิดก่อน <Yeah. S 1> คิดแล้วถึงจะสั่งมาที่วาจาที่ร่างกายดัง <Yeah. S 1> นั้นถ้าเราคอยควบคุมใจไว้ <Yeah. S 1> คอยดูใจคอยหยุดใจ เวลาใจคิดไม่ดีก็หยุดมันถ้าหยุดได้มันก็จะไม่ไปพูดไปกระทำไม่ดีได้ถ้าหยุดไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะระบายออกมาพอมันคิดไม่ดีแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องพูดไม่ดีแล้วมันก็จะทำไม่ดีแล้วพอคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเสร็จแล้ว อะไรตามมาเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆตามมาซึ่งกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทุกข์ทั้งใจและบางทีทุกข์ที่ร่างกายด้วยแต่ส่วนใหญ่จะทุกข์ที่ใจอย่างแน่นอนถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วความทุกข์ใจจะเกิดตามมาทันทีในทางตรงกันข้ามถ้าเราสามารถ สอนให้มันคิดดีพูดดีทำดีได้ความสุขก็จะตามมาอย่างวันนี้ญาติอยู่มีความคิดที่ดีคิดว่าวันนี้มาวัดดีกว่ามาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมพ อ, อคิดแล้วเราเริ่มทำตามที่ได้คิด ชวนเพื่อนฝูงชวนญาติสนิทมิตรสหายมาวัดกันมาทำบุญกันพอมาถึงวัดก็มาเอาข้าวอาของมาซื้อข้าวซื้อของมาเตรียมที่จะถวายของแล้วก็มานั่งฟังเทศฟังธรรมกันการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการกระทาที่ดีเพราะจะได้เรียนรู้เคล็ดลับของความสุขความทุกข์ของชีวิตของพวกเรา ว่าที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนกันแนะ่ <Yeah. S 1> เราก็จะได้รู้ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายของเรา <Yeah. S 1> มันไม่ได้อยู่ที่ราบยุสารเสริญสุข <Yeah. S 1> มันอยู่ที่ใจของพวกเรานี้เป็นเป็นหลัก <Yeah. S 1> ฟังแล้วใจเราก็เย็นสบายมีความสุข <Yeah. S 1> น, นี่เดี๋ยวได้ถวายข้าวได้ถวายของก็จะมีความรู้สึกอิ่มเ อ, อิบใจขึ้นมา นี่เกิดจากการที่ใจเราคิดดีมันก็เป็นเหมือนขบวนรถไฟนะพอหัวจักไปทางไหนตัวตัวตัวที่พ่วงมันก็จะตามหัวจักไปหมันไปทางเหนือมันก็ไปด้วยกันไปทางใต้มันก็ไปด้วยกั น, ใ, น, กกนใจนี่เป็นหัวจักของการกระทำของพวกเราเราจะพูดดีทำดีไม่พูดไม่ดีทําไม่ดีนัน อยู่ที่ใจของเราเป็นผู้สั่งการเฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เราได้พูดดีทดําดีได้คิดดีเราก็ต้องมาคอยควบคุมใจของเราแล้วพอเราได้คิดดีพูดดีทดําดีเราก็จะได้ความสุขตามมาความสุขแบบนี้ไม่ต้องมีเงินทอง ไม่ต้องมีร่างกายที่สวยงามร่างกายดูร่างกายของพระพระพุทธเจ้าหัวโลนๆนเสื้อผ้าก็ยิ่งสมัยพุทธกาลนี้ท่านใช้ผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลคือผ้าหอ่อศพเนี่ยผ้าที่ทิ้งในป่าชา้าสมัยโบราณเขาไม่เขาไม่เผาศพไม่ฝังศพ เราเอาศพไปทิ้ไงไว้ในป่าชา้าเอาผ้าห่อไว้แล้วพอศพมันเน่าเปื่อยไปหมด mm hmm. ก็เหลือผ้าอยู mm ่ hmm. นักบวชสมัยนั้นไม่มีเงินที่จะไปซื้อผ้ากัน mm hmm. ก็ไปเก็บผ้าในป่าช้ามา mm hmm. มาตัดเย็บ mm hmm. มาสักย้อง mm hmm. ด้วยสีของแก่นไม้ร้ม mm hmm. ไม้เอา เอาแกนไม้มาต้มแล้วก็จะมีสีเหลืองๆ อ, ออกมาเขาเรียกว่าสีกาสาวพัดนั่นเป็นการอยู่แบบของนักบวชนักบวชไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้มีความสุขกลับจะเป็นตัวที่ทำให้มีความทุกข์เพราะถ้าใช้เงินทองแล้ว ถ้ามันไม่พอใช้มาหลัความทุกข์มันก็จะมาทันทีพอความทุกข์มาจากการขาดทรัพสมบัติเงินทองก็ต้องไปหาเงินทองกันหาเงินทองก็เป็นทุกข์อีกใครอยากจะทำงานมามีอยากจะเที่ยวกันอยากจะใช้เงินมากกว่าอยากจะหาเงินกันแต่ที่ต้องหาเงินก็เพราะว่าถ้ามันไม่มีมันยิ่งทุกข์กว่าการที่ไปหาเงินอีกก็ยังเลยต้องยอม ทุกข์กับการหาเงินเพื่อที่จะได้เงินมาดับความทุกข์ที่เกิดจากการขาดเงินขาดทองแต่หามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หมดเพราะเงินทองมันได้มาแล้วมันก็ต้องใช้ถ้าไม่ใช้แล้วไปหามันมาทําไมนักบวชเขาเลยว่าไม่ใช้เงินดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปหาเงินจะได้ไม่ต้องทุกข์กับเงินทองไปหาความสุขจากการควบคุมใจดีกว่า อยากการควบคุมใจไม่ให้คิดไปในทางที่ไม่ดีไม่ให้พูดไม่ให้กระทำไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็ให้คิดไปในทางที่ดีให้พูดไปในทางที่ดีให้กระทำในทางที่ดีแล้วความสุขก็จะตามมาจึงไม่จำเป็นที่จะต้องอเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภารร สวยๆงามๆยิ่งสวยยิ่งงามเท่าไหร่ยิ่งต้องเสียเงินเสียทองซื้อมามากขึ้นไปเท่านั้นแต่ความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขแบบควันไฟนี่คือพวกนักบวชนี่เขาเห็นว่าเงินทองนี้ไม่ได้เป็นแหล่งของความสุขที่แท้จริง เป็นดั่งของความทุกข์เสียมากกว่าจึงต้องเลยไม่ไปหาความสุขจากเงินทองกันมาหาความสุขจากการมาควบคุมความคิดกันถ้าควบคุมความคิดได้แล้วความสุขก็จะโผล่ขึ้นมาเองไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องมียศไม่ต้องมีตำแหน่ง ไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสารเสริญมจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆคือความสุขที่เกิดจากการควบคุมใจให้หยุดคิดให้หยุดอยากความคิดนี้มันจะพาให้เกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากแล้วมันก็ จะเกิดความระวนกยเกิดความกระสับกระสายเกิดความเหงาเกิดความว้าวเวเกิดความหนุหจิตนำคาญใจขึ้นมาคือสรุปก็คือความเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ความเหงาความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆจะหายไปหมด แล้วจะเกิดความรู้สึกเย็นสบายรู้สึกมีความเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจ <Yeah. S 1> นักบวจึงเน้นหาความสงบ ก, กันเน้นการควบคุมใจกันไม่ให้ใจคิดไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็บังคับให้หยุดคิดกัน แล้วหลังจากที่หยุดคิดได้ก็สอนให้คิดไปในทางที่ดีได้ yeah. Yeah. เบื้องต้นนี้เราต้องมาหยุดความคิดที่ไม่ดีก่อน <Yeah. S 1> คือต้องมาหัดหยุดคิดก่อนเช่น <Yeah. S 1> ท, ที่เรามาฝึกสมาธิกันนี่ <Yeah. S 1> ก็เป็นการมาหยุดความคิดกันนั่นเอง <Yeah. S 1> เพราะเราคิดมาตั้งแต่เกิดแล้วเราได้อะไรมาบ้างจากความคิด ได้สุขบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ได้ความทุกข์มากกว่าได้ความรู้สึกที่ไม่ไม่ดีอยู่ในใจของเราอยู่แทบทุกวันทั้งทั้งที่เราก็มีอะไรมากมายหาอะไรมาได้มากมายมีทรัพย์มีสมบัติมีข้าวของเงินทองมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านี้มันจางหายไปหมดแล้ว เพราะว่ามันเกิดจากความคิดความอยากของเรานี่เองพอ เ, เกิดความคิดความอยากได้ของใหม่ขึ้นมาของเก่าที่มีอยู่มันก็ไม่มีความหมายไปซะแล้วความสุขที่ได้จากมันก็หายไปหมดแล้วต้องหามาใหม่อยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หายไปหมดความสุขที่ได้มามันก็หายไปหมดความสุขที่เราได้จากอดีตหายไปไหนหมดแล้ว ความสุขที่เราได้จากราบยศเสร็เสริญสุขในอดีตนี่มันหายไปไหนหมดนะทั้งๆ ท, ที่ราบยศเสร็เสริญเราก็ยังมีอยู่เงินทองที่เราหามาได้ก็ยังมีอยู่ตําแหน่งที่เราได้มาก็ยังมีอยู่แต่มันพอไหมมันไม่พอใช่ไหมได้เป็นนายร้อยเดี๋ยวก็อยากจะเป็นนายพันขึ้นมาแล้วนเป็นนายพันก็ดีใจวันสองวันเลี้ยงฉลองกัน แล้เดี๋ยวความสุขที่ได้จากการเป็นนายพันมันก็จางหายไปทีนี้ก็อยากจะเป็นนายพลแล้วมันเป็นความสุขหลอกเราหลอกให้เราตะคุบเงามันเป็นเหมือนเงาที่ทอดอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยหลอกล่อเราว่าโอ้ยหน้าดูหน้าชมหน่าจะเป็นความสุขพอเราวิ่งไปตะคุบ ม, มันไปจับมันปั๊บมันก็หนีไปข้างหน้าเรานะขขเขาเรียกว่าวิ่ ง, งตะคุบเงา เงามันจะอยู่ข้างหน้าเราพอเราเดินไปจะไปจับตัวมันเข้าจะไปจับหัวมันเข้ามันก็หนีเราไปอีกแล้วพอเราเก้าหนึ่งเก้ามันก็หนีเราไปหนึ่งเก้าความสุขต่างๆที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเหล่านี้มันเป็นแบบนี้แล้วพอไม่ได้เดี๋ยวจะรู้สึกเสียใจเช่นเดี๋ยวเย็นนี้ พอตรวจลอตเตอรี่ตรวจหวยแล้วไม่ถูกตอนนี้กำลังดีใจตื่นเต้นกำลังมีหวังมีมีความหวังกำลังฝันว่าเดี๋ยวได้เงินแล้วจะไปทําอะไรไปเที่ยวที่ไหนไปซื้ออะไร<ม>เดี๋ยวพอลอตเตอรี่หวยออกมาแล้วไปตรวจดูไม่ถูกเลยทักตัวนึงพอรู้สึกเศร้าเลยหมดหวังไปหมดกำลังไป อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องมองให้เห็นว่าเรากำลังไปหาความทุกข์กันเรากำลังไปหาความผิดหวังกันเรากำลังไปหาความเสียใจกันเพราะนอกจากเสียความรู้สึกความสุขที่ได้มาแล้วเราไปของที่เราได้มานี้ถ้าเกิดมันหายไปหรือหมดไปมันก็ทำให้เราเสียใจ ฉะนั้นพยายามสอนตัวเองให้เรารู้ว่าถ้าเรายังไปหาความสุขจากการมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีร่างกายที่สวยงามมีเสื้อผ้าอภารท์ที่เสริมสวยความงามของร่างกายอยู่มีความสุขจากการได้ลาบยศสรเสริ ได้ความสุขจากการไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดืม่มอะไรต่างๆขอให้เรารู้ว่าเรากำลังไปผิดทางกันเราจะต้องไปเจอความทุกข์ความเศร้าต่อไปไม่ช้าก็เร็วเพราะว่าความสุขของพวกนี้มันมันหายไปถึงแม้ของที่เราได้มาที่ให้ความสุขกับเรายังอยู่ก็ตาม แต่ความสุขที่ได้มากับของมันมันหายไปแล้วแล้วของที่ได้มามันก็ยังจะทาให้เราต้องมาเป็นภาระกับมันมีทรัพสมบัติเข้าของก็ต้องคอยดูแลรักษามันไปอีกแล้วถ้าเกิดมันหมดไปจากเราไปมันก็ทำให้เราเสีย อ, อกเสียใจเหตุเราต้องสรุปว่าเรากำลัง เดินเข้าหาความทุกข์กันไม่ได้เดินเข้าหาความสุขกันความสุขมันเป็นเพียงเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดมันมาหลอกมาล่อปลาปลาเห็นเหยือ่อแต่ไม่เห็นเบ็ดเพราะเบ็ดมันอยู่ซ่อนอยู่ภายใต้เหยือ่อมันก็คิดว่าเป็นอาหารอนอชะเนี่ยพอมันฮุบเหยื่อเข้าไปมันก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปาก แล้วก็ถูกดึงขึ้นจากน้ำไปจากสระน้ำไปสู่ในหม้อน้ำหม้อแกงต่อไปกลายเป็นอาหารของคนฉลาดนี่คือเราต้องสอนใจให้เห็นให้ได้ว่าการที่เราไปหาความสุขจากร่างกายของเรา หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหาความสุขจากราบยศสรรเสริญนี้เป็นการหาความทุกข์เราควรที่จะกลับมาหาความสุขแบบที่พระเจ้าทรงสอนคือให้มาหาความสุขที่ใจของพวกเราด้วยการคคอยควบคุมบังคับใจของเราขั้นที่หนึ่งก็ให้เรา หยุดคิดไปในทางไม่ดีคิดไปในทางทำบาปคิดไปในทางเสพอ บ, บายามุกอันนี้เป็นเป็นความคิดที่จะนาไปสู่การพูดการกระทาที่เสียหายกับจิตใจที่จะทาให้เกิดความทุกข์ใจตามมาทุกครั้งที่คิดจะไปดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันแทงหวยซื้อวัตเตอรี่แบบ เป็นการพนันถ้าเล่นแบบเสี่ยงโชคก็ไม่เป็นไรเ ล, น เ, ลนเล่นน้อยๆคิดว่าซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งร้อยบาทถ้าโชคดีอาจจะได้สามล้านถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ซื้อแบบเอาเป็นเอาตายกันบางคนซื้อทีร้อยใบห้าห้าร้อยใบอย่างนี้มันเป็นการซื้อแบบเล่นการพนันอันนี้แบบว่า ถ้าเสียก็จะเสียใจแล้วก็อยากจะได้คืนก็ต้องเล่นเพิ่มมากขึ้นไปเพื่อที่จะได้ถอนทุนได้เล่นแบบนี้เดี๋ยวมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็หมดอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปเที่ยวเต่การเที่ยวเตะก็มีแต่เสียเงินทองไม่ไม่มีไรายได้เงินทองมีมากมีน้อยถ้าเที่ยวเดี๋ยวมันก็ใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมด แล้วก็จะทำให้ต้องไปหาเงินทองแบบวิวชอบเพราะว่าหาเงินโดยวิธีสุดจริญไม่เป็นคนที่เล่นการพร น, นันคนที่เที่ยวคนที่ดื่มสุรายาเมาเสพยาเสพติดนี้มักจะไม่ไปทำงานทำการเนพอมึอเงินหมดก็ต้องไปหาโดยวิธีที่ไม่ชอบเลาเคยได้ยินข่าวคนบางคนไปป้นธนาคารป้นร้านทอง เพที่จะได้เอาเงินมาเที่ยวปะเที่ยวต่อแต่พอไปทำบาปแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับหรือถ้าไม่ถูกจับทำไปแล้วใจก็กังวลนะพอทำผิดแล้วนิใจมันก็จะไม่สบายใจจะระบาดระแวงจะกลัวว่าจะ ถูกจับถูกจับไปลงโทษเพราะทำผิดเอาไว้แล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาคอยติดตามจับตัวเราอยู่นี่เป็นการสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาถึงแม้ว่าจะป้นสำเร็จถึงแม้ว่าจะได้เงินทองมาแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำผิดนี่มันมันเกิดขึ้นไปลบล้างมันไม่ได้ ความวิตกกังวลกับความผิดนี้มันลบล้างไม่ได้ถึงแม้มีเงินมาแต่ได้เงินมาแล้วแต่ไม่มีความสุขไม่เหมือนกับการได้เงินมาจากการทำสิ่งที่สุดจริตเช่นทำงานทำการทำมาค้าขายได้เงินทองมาแล้วจะไม่มีความรู้สึกไม่สบายใจเพราะไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องถูกจับไปลงโทษไม่มีโทษตามมา นี่คือสิ่งแรกที่พวกเราถ้าต้องการมีความสุขกันหรือต้องการไม่มีความทุกข์กันก็คืออย่าไปเสพอบายามุขกันอย่าคิดเสพอบายามุขถ้าคิดเสพก็พยายามหยุดมันแลเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปเสพอบายามุขเมื่อไม่ไปเสพอบายามุขปัญหาที่จะตามมาก็จะไม่มี เราก็จะมีเงินทองเหลื อ, ลอกินเหลือใช้เพราะเราจะไม่ได้ใช้แบบไม่มีเหตุไม่มีผลใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นคือเลี้ยงดูร่างกายของเราด้วยปัจจัยสี่ซื้ออาหารมาเสื้อผ้าถ้ามีพอแล้วก็ไม่ต้องซื้อที่อยู่อาศัยถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องซื้อ ยารักษาโรคถ้ายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องซื้อนั้นส่วนใหญ่ก็จะซื้อเพียงแต่อาหารเท่านั้นเองเงินทองก็จะไม่ใช้มากเราก็จะมีเงินทองเหลือเหลือเฟือทำให้เรามีความสุขมีความมั่นใจว่าเราจะไม่อดอยากขาดแคลนเพราะมีเงินทองพอที่จะเลี้ยงเราไปได้หลายปีนะอันนี้เป็นการ หยุดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทาของเราเองจากใจของเราเองถ้าใจคิดเที่ยวคิดเล่นการพนันคิดเดืมโรุนราหรือเสพยาเสพติดแล้วเดี๋ยวมักจะไปมีมีโทษตามมามีความทุกข์ตามมาเพราะพอไม่มีเงินใช้เสพยาเสพติดก็ต้องไปทำบาปไปป้นไปจี้ไปลักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงอะไรต่าง ทำแล้วก็ต้องเกิดความไม่สบายใจตามมาแน่นอนคือั้นอย่าไปทำบาปพระคิดจะฆ่าสัตว์ก็ยับยั้งไว้คิดจะลักทรัพย์ก็ยับยั้งไว้ให้คิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาที่ในใจของเราและโทษที่จะตามมาจากจากการต้องไปถูกจับลงโทษต้องไปติดคุกติดตารางอะไรต่างๆถ้ามีความกลัว กับผลของการกระทำบาปเราก็จะไม่กล้ากระทำบาปกันเดี๋ยเรารู้ขับรถผิดกฎจราจรเดี๋ยวถูกปรับนละวพอถูกปรับมันเสียดายเงินนะอย่างนี้สู้ปฏิบัติตามกฎดีกว่าอยน้อยจะได้ไม่ทุ่งถูกปรับให้คิดถึงโทษที่จะทำมาถ้าทาบาปแล้วคนส่วนใหญ่ที่ทำบาปเพราะคิดว่าไม่มีโทษคือถ้าไม่ผิดกฎหมาย แต่ทําแล้วมันก็ยังมีโทษถึงแม้ไม่ผิดกฎหมายมันมีโทษที่ใจของเรามันจะทําให้ใจของเราทุกข์หรือว่าทําผิดกฎหมายทาบาปแล้วยังไม่ถูกจับหรือถูกจับแล้วคิดว่าหนีได้ช่วงขณะที่หนีมันก็ไม่สบายใจมันก็ต้องคอยระมัดระวังคอยหลบคอยหลีกคอยหนีอยู่เรื่อย อันนี้มันเป็นวิธีสร้างความทุกข์ให้กับใจของพวกเราคือการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีถ้าเราหยุดคิดไม่ดีถ้าเราหยุดได้คือหยุดไม่หยุดคิดไม่ดีได้หยุดคิดหยุดพูดไม่ดีได้หยุดการกระทําที่ไม่ดีได้ความทุกข์มันจะไม่เกิดตามมาพระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขความทุกข์ของพวกเรานี้เป็นเหมือนลอย รอยรอยลอยของเกวียนเนี่ยลอยล้อเกวียนเนี่ยล้อเกวียนไปทางไหนรอยมันก็ตามไปตามล้อไปใจของเราคิดไปทางไหนความสุขความทุกข์มันก็จะตามมาคิดไปในทางที่ดีความสุขมันก็ตามมาคิดไปในทางที่ไม่ดีความทุกข์มันก็จะตามมาไม่มีใครห้ามกฎแห่งกรรมนี้ได้มันเป็นกฎสากล กดอมตะตราบใดที่มีใจตราบนั้นกดนี้จะเป็นผู้ตัดสินให้กับใจเป็นผู้ชี้สุขชี้สุขสร้างสุขสร้างทุกข์ให้กับใจคือกฎแห่งกรรมนีกรรมแปลว่าการกระทาความคิดนี้ก็เป็นการกระทาของใจ <c oughs> การพูดการ กระทำทางร่างกายก็เป็นการกระทำของใจผ่านทางผ่านทางร่างกายเหมือนกันร่างกายเองมันพูดไม่ได้หรอกถ้าใจไม่สอนให้มันพูดไม่สั่งให้มันพูดร่างกายมันจะเคลื่อนไหวไปไหนไม่เป็นเ ร, เราเป็นคนหัดสอนให้มันเคลื่อนไหวใจเป็นคนสอนใจเป็นคนสอนให้หัดยืนหัดเดินหัดหัดวิ่งหัดทำอะไรตา่าง ถ้าไม่มีใจแล้วร่างกายมันก็เป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งตุ๊กตาตัวหนึ่งมันก็ทำอะไรไม่ได้มันต้องมีคนมาคอยขยับขาขยับขามันมันถึงจะทำอะไรได้นั้นใจนี่แหละเป็นผู้กร ะ, กระทำถ้ากระทำด้วยความคิดก็ทำด้วยใจโดยตรงถ้ากระทำด้วยวาจา ท, ทำด้วยกายกระทำทางร่างกายก็ผ่าน ผ่านร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องใจนี่แหละเป็นผู้กระทําและร่างกายก็ไม่ได้เป็นผู้รับผลของการกระทําเวลาเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาร่างกายมันก็ไม่รู้ว่ามันสุขมันทุกข์หรือไม่ผู้ที่สุขหรือทุกข์นี้ก็คือใจนี้ถ้าใจเราพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีความทุกข์มันก็เกิดขึ้นทันทีถ้าใจเราคิดดีพูดดีทําดี ความสุขมันก็เกิดขึ้นทันทีอันนี้มันชัดเจนกว่าและตรงไปตรงมากว่าแล้วเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราได้การกระทำนี้เราควบคุมได้ถ้าเราฝึกฝนอบรมถ้าเราไม่เคยฝึกฝนควบคุมอบรมใจของเรานี่บางทีเรายังอาจจะควบคุมไม่ได้ เวลาเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาก็า จ, จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเรามาหัดฝึกหัดควบคุมอารมณ์หัดควบคุมความคิดของเราต่อไปเวลามันคิดไม่ดีมเวลามีอารมณ์ไม่ดีเราก็หยุดมันได้ถ้ามันไม่ดีเราก็อย่าให้มันโผล่ออกมาปล่อยให้แต่อารมณ์ดีปล่อยให้แต่ความคิดดีโผล่ออกมา เราสามารถทำได้คือเราสามารถที่จะเปิดปิดความสุขความทุกข์ได้เหมือนกับเราเปิดปิดเครื่องปรับอากาศเวลามันร้อนเราอยากให้มันเย็นเราก็เปิดเปิดสวิฟ์ไฟเครื่องมันก็ผลิตความเย็นออกมาถ้ามันเย็นมากเกินไปเราก็ปิดมันเสียอันนี้ความสุขความทุกข์ใจนี้เราถ้าหา ถ้าเจอสวิตแล้วเราสามารถที่จะเปิดปิดนั่นได้เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ปิดมันได้เวลาไม่มีความสุขเราอยากจะให้มันมีความสุขเราก็เปิดมันขึ้นมาได้เปิดที่ใจของเรานี่สบายกว่าง่ายกว่าเพราะเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวข้องกับใครเลยถ้าเราหาความสุขแบบนี้ถ้าเราดับความทุกข์ แบบนี้แล้วเราไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ร่างกายเราจะไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงไม่สวยไม่งามก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราหรือดับความทุกข์ให้กับเราเราไม่มีข้าวของเงินทองไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีใครมาคอยยกย่องสรรเสริญเยินยอไม่มีสิ่งต่างๆมาให้เราเสพทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็ยังมีความสุขได้เรายังสามารถกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้โดยที่ไม่ต้องใช้สิ่งของเหล่านี้อย่างไหนจะสบายกว่ากันอย่างไหนจะง่ายกว่ากันเพียงแต่มาควบคุมใจของเราให้เราสามารถหนึ่งหยุดความคิดไม่ดีได้สองสั่งให้มันคิดไปในทางที่ดีได้ สามให้มันหยุดเลยทั้งความคิดที่ดีและความคิดที่ไม่ดี <Yeah. S 1> พอเวลาถ้าไม่คิดแล้วนี้ใจมันจะมีความสุขยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการคิดดีใช่ yeah. Yeah. อันนี้แหละเป็นเป้าหมายของการหาความสุขของพวกเราควรจะเปลี่ยนเป้าจากการไปคอยหาความสุขผ่านทางร่างกาย โดยการคอยดูแลเรื่องดูร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงที่ดูวันวันหนึ่งนี่ต้องออกกําลังกายกันต้องวิ่งต้องอะไรกันต้องขยับแข้งขยับขาแน่นโยคบโยคะอะไรกันแล้วต้องหาอาหารชนิดนั้นชนิดนี้มากินกันหาเสื้อผ้าชุดนั้นชุดนี้มาสวมใส่กันชุดเก่าใส่แล้วมันก็ไม่สุขต้องหาชุดใหม่ต้องไปหาซื้อเรื่อยๆ คือนานๆเข้าก็ต้องไปซื้อตู้มาเก็บเพิ่มเพราะตู้เก่าที่มีอยู่มันไม่พอเก็บเลยบางคนไม่ใช้ตู้เลยใช้ห้องเลยใช้เป็นห้องเป็นเก็บเสื้อผ้าเข้าของเพราะตู้มันเล็กเกินไปเพราะว่าได้เสื้อผ้ามากี่ชุดมันก็สุกเดี๋ยวเดีย ว, ยวแล้วมันก็จางหายไปทําให้ชีวิตจืดชืดเหมือนเดิมก็เลยต้องไปหาชุดใหม่มาเสริมความสุขอยู่เรื่อยๆ เนี่ยมันหาความสุขแบบนี้มันยากปัญหามากเรื่องมากแล้วถ้ามันเงินทองไม่พอซื้อของพวกนี้ทีนี้ก็เศร้าแล้วสิอย่าเขาแล้วเียอยู่บ้านว้าวเวอยู่กับเสื้อผ้าที่ซื้อมาเต็มห้องก็ไม่มีความสุขไม่เหมือนกับได้เสื้อผ้าชุดใหม่มาจากร้านใหม่ๆนี่คือปัญหาแล้วจะมีปัญหาอะไรตามมายเยอะแยะไปหมด ถ้าเงินทองไม่พอใช้ก็ลำบากแล้วต่อไปสังขารร่างกายมันก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆอแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนกันแล้วความสุขต่างๆที่เราเคยหาได้จากร่างกายจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้มันหายไปหมดอันนั้นก็มีแต่ความทุกข์ที่ความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วย ความทุกข์ที่เกิดจากการอยู่คนเดียวเหนาวา ว, ว่าเวเพราะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะมาเยี่ยมเรามามาชวนเราไปเที่ยวไม่มีอย่างมากเขาก็มาแวะเยี่ยมครั้งสองครั้งแล้วเขาก็ไปแล้วะส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องอยู่ตามลําพังของเราอาจจะอยู่กับคนดูแลสักคนหนึ่งถ้าเราดูแลตัวเองไม่ได้เขาก็อาจจะจ้างใครมาช่วยดูแลเราหน่อยแต่ความจริงแล้วเราก็จะต้อง หนาวต้องอยู่คนเดียวอย่าไม่มีการไปสังสรรค์ไปสังคมไปสมาคมกับที่นั่นที่นี่เหมือนที่เคยทำกันช่วงนั้นชีวิตก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความไม่สบายใจหงุดหงิดลาคานใจแต่ถ้าเราไม่มาใช้วิธีนี้เรามาใช้วิธีควบคุมใจของเราอบรมใจของเรา อบรมใจของเราให้รู้จักหยุดคิดไปในทางที่ไม่ดีได้แล้วก็สอนใจให้เราคิดไปในทางที่ดีแล้วก็สอนใจให้หยุดคิดให้อยู่เฉยๆบ้างเราจะได้ความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการคิดดีพูดดีทำดีซะอีกแต่เบื้องต้นเราก็อาจจะต้องฝึกไปเป็นขั้นตอนก่อน เบื้องต้นก็พยายามห้ามใจถ้าคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางทำบาปคิดไปในทางเสพอบายามุก<ม>ก็พยายามเตือนใจสอนใจห้ามใจมวิธีที่จะทำให้เราห้ามใจได้<ม>เราต้องเสริมกำลังของใจ<ม><ม>คือเราต้องมาฝึกเจริญสติกัน<ม>ถ้าเรามีสติมากมเราก็จะควบคุมหยุดความคิดได้ง่ายขึ้น<ม>ถ้าเราไม่มีสติกาลังน้อย สติมีกำลังน้อยบางทีก็หยุดไม่ได้บางทีบอกว่าอย่าไปเสพอบายมุขบางทีก็ห้ามไม่ได้ดงั้นเราต้องมาฝึกสติกันวิธีฝึกสติเพื่อหยุดความคิดควบคุมความคิดก็ต้องใช้พุทธานุสติหรืออนุสติอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นเครื่องมือมีหลายอนุสติด้วยกันอนุสตินี้มีอยู่สบชนิดด้วยกัน พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเทวานุสติมรณ า, านุสติกายกตาสติอนาปานาสติ <c oughs> เป็นนี่เป็นวิธีที่จะมาหยุดความคิดของเราเรียกว่าเป็นเบรกของใจก็ได้เราก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะเพราะใช้บางอย่างในบางเวลาอาจจะไม่ อาจจะไม่คล่องแคล่วว่องไวบางเวลาต้องใช้อย่างหนึ่งบางเวลาต้องใช้อีกอย่างหนึ่งเช่นถ้าเราจะใช้อนาปนานสติคือดูลมหายใจเข้าออกเราใช้ได้เหมาะกับตอนที่เรานั่งเฉยๆตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยใช้อนาปนานสติได้เหมาะแต่ในช่วงที่เราไม่ได้นั่งเช่นเราเดินจงกรมนี่ถ้าจะดูลมหายใจเข้าออกมันจะดูยากเพราะลมมันละเอียด จากนั้นเราก็เปลี่ยนมาที่ดูร่างกายของเราแทนเรียกว่ากายยะกตาสติเนื้องกายเรากําลังเดินก็ดูเท้าไปเท้าซ้ายก้าวก็ว่าซ้ายเท้าซ้ายเท้าขวาก้าวก็ว่าขวาซ้ายขว า, ซ, า, ขวาซ้ายขวาไปเป้าหมายก็คือให้เรามีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพรถ้าคิดแล้วเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องไม่ดีซะส่วนใหญ่คิดไปเรื่องของความอยาก อ ย, อยากดื่มอยากดูอยากฟังขึ้นมาแล้วก็พออยากแล้วใจก็ร้อนขึ้นมาใจก็หงุดหิดขึ้นมาทำให้อยู่เฉยเฉยไม่เป็นอยู่เฉยเฉยไม่ได้อยู่เป็นสุขไม่ได้แต่ถ้าเราควบคุมความคิดได้ไม่มีความคิดความอยากเกิดขึ้นเราก็อยู่เฉยเฉยได้อยู่เป็นสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้เราดื่มไม่มีอะไรให้เรากินไม่มีอะไรให้เราต้องดูต้องฟัง อันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาฝึกกันถ้าเราอยากจะอบควบคุมความคิดของเราถ้าเราต้องการหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความคิดที่ไม่ดีเราอยากจะได้ความสุขจากการคิดที่ดีหรือจากการหยุดความคิดเราก็ต้องใช้สติเป็นเครื่องมืออันดับแรกก่อนฝึกใช้สติถ้าเราใช้พุทธานุสตินี้จะใช้ได้ทุกเวลาเลย พุทธานุสติก็คือเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าจเยาแบบย่อหรือแบบพิสดารก็ได้แบบพิสารก็สวดอิปิปิโสไปอิปิปิโสภักวารหังสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยแสดงว่าเรากําลังเจริญพุทธานุสติกำลังเลิกถึงพระพุทธเจ้าถ้าเราสวดไปภายในใจเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ความอยากก็จะไม่เกิด ความรู้สึกหงุดหีิดลำคาญใจก็จะไม่ตามมาจะทำให้เราอยู่เฉยๆได้ถ้าเราอยาเอาแบบย่อก็พุทโธพุทโธก็เป็นพุทธานุสติเหมือนกันจะทําธรมมานุสติก็ได้สุปสวากขาตูภะวัตาธรรมโมหรือท่องธรรมโมไปถ้าสังคานุสติก็สุปติปันโนหรือสังโคไป ถ้าอยากจะเอาทั้งสามองเลยก็ได้พุทโธธัรมโมสังโฆไปก็ได้ถ้าถ้าเอาองเดียวก็พุทโธพุทโธไปอันนี้เราปรับได้เราเลือกได้แล้วแต่ความพอใจของเราใช้แบบไหนแล้วมันทำให้ใจเราเบาใจเราเย็นใจเราว่างเราก็หัดใช้แบบนั้นไปอนนี้นในช่วงที่เรามีการเคลื่อนไหวมีการกระทำอะไรต่างๆ ถ้าใจเราเริ่มคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็ใช้พุทธานุสติธรมานุสติสังขานุสติหรือบางเวลาถ้าหยุดมันไม่ได้อาจจะต้องมาใช้มรานุสติก็ได้คิดถึงความตายบ้างบางทีโลภ อ, อยากได้นู่นอยากได้นี่จะดิ้นตายให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วถามว่าถ้ า, ถาเกิดมึงตายขึ้นมาแล้วจะทำยังไงพอคิดถึงความตายบางทีความโลภมันก็หยุดได้อยากันได้อะไรมากๆแล้วหยุดมันไม่ได้ ลองให้นึกถึงความตายดูว่าไม่ช้าก็เร็วชีวิตเราก็ต้องตายแล้วสิ่งที่เราได้มาเราเอาติดตัวไปกับเราได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วมันมาหยุดความตายของเราได้หรือเปล่ามันมาช่วยทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับความตายได้หรือเปล่าถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็อาจจะไม่เอาก็ได้ไม่ไม่มีก็ไม่ขอให้มีชีวิตอยู่ดีกว่าดีกว่าได้มาแล้วต้องไปเสี่ยงตายขึ้นมา หรือถ้าเกิดตายไปแล้วจะทํำยังไงของที่ได้มาหามาแทบเป็นแทบตายกลายเป็นของคนอื่นไปหมดนะหามาให้คนอื่นก็ใช้เรื่องอะไรใช่ไหมสู้หาเท่าที่จําเป็นไม่ดีกว่าเลยเอาพอให้เวลาตายนี้ไม่มีสมบัติเหลือให้ใครเลยดีกว่า <c oughs> จะได้ไม่ขาดทุน <c oughs> ตายแบบกําไรคือไม่ทิ้งสมบัติให้ใครเลยใช้หมด <c oughs> แล้วต้องใช้ไปในทางที่ดี ใช้ไปในทางที่ทำให้ใจเราสุขก็คือใช้ไปกับการทำบุญทำทาน น, นนี้ก็คือเรื่องของการสร้างความสุขหรือการกำจัดความทุกข์ที่ถูกต้องที่ง่ายดายที่ไม่ยุ่งยากไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครแล้วก็จะเป็นความสุขความทุกข์ที่เราสามารถควบคุมได้ถ้าเร า, าถ้าเรารู้จักควบคุมมาแล้วนี่ เราสามารถควบคุมความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นมาในใจของเราได้แล้วเราสามารถสั่งให้ความสุขที่เราต้องการเมื่อไหร่ให้มันเกิดขึ้นมาได้เมื่อ น, นั้นเหมือนมีมีมีสวิทช์ไว้เวลาเปิดเครื่องปรับอากาศเวลาใจร้อนก็เปิดสวิทช์ปั๊บเดี๋ยวใจก็เย็นสบายนี่คือสิ่งที่เราต้องมาทํากันคือมาควบคุมดูแลใจของเรา ให้มันอยู่ภายใต้การควบคุมของเราคือเราต้องสั่งให้มันหยุดคิดไปในทางที่ไม่ดีให้ได้ 2. บังคับให้มันคิดไปในทางที่ดีให้ได้สหยุดความคิดให้ได้ถ้าเราต้องการพักถ้าเราต้องการความ ส, สบายใจก็ให้มันหยุดคิดบ้างนี่แหละจะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขเราจะได้ไม่ต้องไปดิ้นรน หาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องไปคอยต่อสู้กับการดูแลร่างกายของเราซึ่งบางทีเราก็สู้ไม่ได้เพราะภัยที่มันเข้ามารัางควานร่างกายของเรานี้มันมีมากมายมีทั้งทางโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งทางมนุษย์ที่ไม่หวังดีมีทั้งอุบัติภัยต่างๆ ซึ่งไม่ช้าก็เร็วเราอาจจะโดนเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องม้เครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันมากเกินไปก็อยู่กันแบบสมถะเรียบง่ายอาจจะปลอดภัยกว่าการอยู่แบบฟู้ฟ้าสิถ้าต้องการอยู่แบบฟู้ฟ้าก็ต้องใช้ร่างกายพาไปบินไปนู่นบินมานี่ บินไปบินมาเดี๋ยวเครื่องบินตกก็ได้แต่ถ้าอยู่แบบสมถะเรียบ ง, ง่ายก็อยู่กับบ้านไปดีไม่ดีทําให้ชีวิตปลอดภัยกว่าร่างกายปลอดภัยกว่าการที่ใช้ร่างกายไปกับการอยู่แบบหรูหราฟู่ฟ้าต่างๆนี่แหละคือเคล็ดลับของความสุขของชีวิตของพวกเราอยู่ที่ใจของพวกเรา อยู่ที่การควบคุมบังคับใจให้มันอยู่ภายใต้การคําสั่งของเราให้ได้สั่งให้มันหยุดคิดไปในทางที่ไม่ดีให้ได้สั่งให้มันคิดไปในทางที่ดีให้ได้และสั่งให้มันหยุดคิดให้ได้ล้วเราทำได้แล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือเรื่องที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผ่อนยัถาวารีอวะหาปุราปาริปุเรินติสาคลังเอวเมวะอิตทจินังเปตานังอุปกาปติยุจิตังปะทิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจจตุสัพเทปุเรินตุสังกปาจันโทปนะระโสยัตถา มานิโชติระโสยถาสพภิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตาลาโยสุขีทีคาโยโกภะอภิวานันตสีลิสานิจจังวุฒาปะจายโนจตารุธรรมวาทานติ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 แล้วทางทีมงานจะอ่านคำถามให้วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ค่ะวันนี้จากเฟซบุ o กห้าร้อยสามสิบสี่ยูสอง้อยหสิบห้าวิทยุออนไลน์สิบแปดซูมหกรับฟังหน้ากุฏิร้อยสิบสามรวมเก้าร้อยี่สิบหกค่ะถ้ามีคำถามก็อ่านได้เลย จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหากเรามีเบาะแสข้อมูลและหลักฐานที่จะจับโจรผู้ร้ายได้แต่ถ้าเราให้ข้อมูลนั้นกับสื่อหรือตำรวจไปเราจะบาปไหมแล้วเราจะต้องไปชดใช้กรรมกับโจรคนนั้นในชาติหน้าหรือไม่เจ้า่ะก็อยู่ที่เขาจองเวรจองกรรมเราหรือเปล่าถ้าเขาจองเวรจองกรรมเขาก็จะติดตามเราไปล้างแค้นเรา ออกมาจากคุกอาจจะตามหาเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการมีเวรมีกรรมกับใครก็ก็ไม่รู้ไม่ชี้ไปอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเอาเองออเราเพียงจะบอกทางเลือกเท่านั้นไม่ได้แนะนำว่าให้ทำทางใดทางหนึ่งคำถามจากคุณเนต มีหลายคำถามที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะการนั่งภาวนากระผมบริกรรมลมหายใจเข้าพุธลมหายใจออกโทตลอดการนั่งสมาธิแต่จิตและความคิดของกิเลสมันคอยไปคิดเรื่องอื่นๆตลอดครับผมก็ทำได้แค่รู้แล้วดึงสติกลับมาอยู่ที่ลมหายใจแล้วบริกรรมพุธโทต่อจนจิตนิ่งและสงบ แบบนี้คือทางที่ถูกต้องในการฝึกสติเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะกิเลสนี้มันโหดมากครับสู้กับมันจนเหนื่อยบางวันเข้าสมาธิได้เร็วบางวันจิตและความคิดก็คอยไปคิดเรื่องอื่นๆตลอดจนบางทีผมนั่งได้ไม่นานผมจะบริกรรมพุทโธตลอดจนจิตนิ่งและสงบผมต้องฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจิต จะบอกเองถึงความก้าวหน้าของจิตใช่ไหมครับอย่าไปอยากรู้คือปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดเองแล้วตัวจิตที่รู้มันจะบอกเองว่าเราก้าวไปถึงระดับไหนเรขั้นตอนนี้ก็ขอโทษค่ะขั้นตอนนี้ก็ต้องฝึกสติไปก่อนแล้วเรื่องรู้อะไรต่างๆมันเป็นอีกขั้นหนึ่งอย่างเพิ่งต้นนี้พยายามมีสติควบคุมความคิดให้ได้ทำจิตให้สงบให้ได้ก่อนแล้วต่อไป พอจิตสงบแล้วก็ถ้าต้องการรู้อะไรก็ใช้การพิจารณาต่อไปค่ะคำถามต่อเนื่องจากท่านเมื่อสักครู่นะคะที่ถามนี้เพราะผมต้องการฝึกจิตให้เข้มแข็งก่อนที่จะบวชแบบจรงิงๆแบบไม่มีกําหนดเวลาสิกขาครับดีก็พยายามบวชก่อนบวชบวชใจก่อนแล้วค่อยไปบวชกายดีกว่าพวกที่บวชกายแล้วค่อยไปบวชใจนี้ แล้วก็ไปควบคุมใจไม่ได้ไหวให้สเปสะสปะไปทำเรื่องราวเสียหายต่อศาสนาถ้าเราบวชใจได้แล้วเวลาไปบวชกายมันก็จะไม่มีปัญหาตามมาจะผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะการนั่งสมาธิบริกรรมบุโทโธและตามดูลมหายใจเริ่มเข้าผวางได้บางครั้งคือผวางนี้รู้สึกกึก เข้าไปและเห็นความสว่างกลับเข้าไปในห้องดํามืดแต่ไม่กลัวจะทําอย่างไรต่อครับถ้ามันเข้าสู่ความว่างก็รักษาให้มันอยู่ในนั้นนานๆหรือถ้ายังเข้าไปไม่ลึกพอถ้าใช้ลมยังดูลมได้ก็ดูลมไปถ้าบริกรรมพุทโธได้ก็บริกรรมพุทโธต่อไปเพื่อให้มันเข้าไปสู่จุดที่ลึกที่สุดของใจ คือจุดของอุเบกขาจุดของศักด์แต่ว่ารู้คุณคอมพิวเตชันเอจะแก้ใจไม่ให้พัวพันกับศัตรูที่เราโกรธแค้นได้อย่างไรคะพัวพันแล้วกระแสจิตมันสื่อถึงกันได้คะ่ะอยากตัดให้มันออกจากชีวิตเราไปคะ่ะก็ทุกครั้งเวลาคิดถึงเขาก็ใช้สติหยุดใช้พุทโธ ท, ท่องพุทโธพุทโธไป แล้วพอใจสงบก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าการจองเวรจองกรรมกันไม่ได้เป็นการระงับเวรกรรมการให้อภัยกันเป็นการระงับเวรกรรมกรรมย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรคือด้วยการให้อาภัยก็ให้เราเห็นคุณค่าของการให้อาภัย ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาให้มันยุติลงไปอย่างราบคาบถ้าเรายังไปจองเวรจองกรรมกันอยู่เขาทำเราเราทำเขาเดี๋ยวมันก็กลายเป็นแบบน้ำพึ่งหยดเดียวมันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะคุณกิฟต์การจะถือศีลอุโบสถที่บ้าน เวลาสวดมนต์จากัดไหมคะว่าต้องสวดบทไหนหรือว่าต้องทำวัดเชา้าวัดเย็นเหมือนไปอยู่วัดเลยเจ้าคะเราทำได้ทั้งนั้นนะการสวดก็คือการฝึกสติการทำใจให้สงบแบบหนึ่งเราอยากจะสวดบทไหนก็ได้สวดตามขอ้อตามวัดเชา้าวัดเย็นก็ได้แล้วแต่เราเพราะว่าเป้าหมายมันอยู่ที่การทำใจให้เรานิ่งให้เราสงบให้มีความสุขจากการสวด พระมหาสมชาติคําถามที่หนึ่งเราจะมีวิธีกําจัดความยึดมั่นได้อย่างไรครับผมต้องเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาจะยึดยังไงก็ยับยั้งการพัดพากจากกันไปไม่ได้คําถามที่สองความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นต้องทําอย่างไรครับผมต้องทําใจให้สงบความเบื่อหน่ายเกิดจากความอยาก อยากได้อย่างนุ้นอย่างนี้พอไม่ได้ก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นม า, างั้นเวลาเกิดความเบื่อหน่ายนี้สแสดงว่าเราใจเราไม่สงบใจเร า, เามีความหิวความโหยความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ได้ก็เลยทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายก็ใช้พุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปนั่งดูลมหายใจเข้าออกไปพอใจสงบแล้วความรู้สึกเบื่อหน่ายก็จะหายไป จะคุณหารชัยการไม่แสวงหาเพราะสันโดษหรือขี้เกียจจะพิจารณาได้อย่างไรครับก็แสวงหาเท่าที่จําเป็นก็เรียกว่าไม่ขี้เกียจถึงเวลาต้องหาข้าวก็ต้องไปหาข้าวอย่างพระถึงเวลาก็ต้องไปบิณฑบาตถ้าไม่บิณฑบาตใช้ลูกศิษย์ไปสั่งไปซื้อมาจาก k f เออย่างเงี้ยเรียกว่าขี้เกียจเป็นกีเล ถึเวลาต้องเรื่องปากเรื่องท้องด้วยการบินทบาทก็ต้องไปบินทบาทจากผู้รับฟังหน้ากุติค่ะเวลานั่งสมาธิมีเจ็บขาเหน็บชาแต่ยังทนต่อไปได้เราขยับบ้างได้ไหมคะถ้าขยับก็เหมือนกับเริ่มต้นใหม่ถ้าไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะต่อให้มันยาวไปให้จิตสงบมากขึ้นก็อย่าขยับแล้วก็พยายาม มีสติอยู่กับลมหรืออยู่กับคาบริกรรมต่อไปถ้าดูลมไม่ได้มันใจมันยังคิดถึงความเจ็บของร่างกายยังอยากจะขยับอยู่ก็ลองใช้คาบริกรรมแทนบริกรรมไปให้มันทีหน่อยก็ได้เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงความเจ็บความอยากจะขยับร่างกายถ้าเราเพลินอยู่กับการบริกรรมพุทโธเดี๋ยวความอยากมันจะหายไปแล้วความทรมานใจนั้นจะหายไป ทำให้ใจเราอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้แล้วใจก็จะสงบเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างนี้ดีกว่าที่เราขยับขยับแล้วเราก็กลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่พอมาเจอความเจ็บอีกก็ขยับอีกก็กลับไปเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเราปล่อยให้มันเจ็บไปเราก็บริกรรมพุทโธไปเราก็ภาวนาไปพอใจเรา ไม่ไปยุ่งกับความเจ็บใจเราก็สงบมากขึ้นเบามากขึ้นสบายขึ้นเข้าสู่ความสงบได้มากขึ้นเึกขึ้นไปคุณแอสโบเลอร์วันนี้ลองฝึกนั่งอานาปานาสติเจ้าค่ะนั่งไปตอนแรกรู้สึกว่าจะรับรู้ลมหายใจได้ชัดเจนว่าอยู่กับลมหายใจเข้าออกและเราจะคิดว่าเป็นลมลมเข้ายาวลมออกยาว พอผ่านไปสักพักลมหายใจเบาขึ้นและรู้สึกสั้นขึ้นแต่ข้าพเจ้าก็ยังกำหนดรู้อยู่ภายในใจว่าลมเข้ายาวลมออกยาวอยู่อีกเจ้าค่ะอยากทราบว่าต้องแก้ไขตรงไหนไหมเจ้าค่ะต้องต้องดูตามความเป็นจริงของลมอย่าไปหลอกตัวเองถ้าลมสั้นก็ต้องว่ามันสั้นไม่ใช่ลมสั้นแล้วก็บอกว่ามันยาวอย่างนี้ไม่ถูก แสดงว่าร hey? เราไม่ได้ดูลมจริง เ, เราไปดูความลมในอดีตแล้วไม่ได้ดูลมในปัจจุบันงั้นให้อยู่กับลมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันลมในปัจจุบันสั้นก็รู้ว่าสั้นแล้วเดี๋ยวต่อไปมันเปลี่ยนเป็นยาวก็รู้ว่ามันยาวถ้ามันหายไปก็รู้ว่ามันหายไปมันเบาลงก็รู้ว่ามันเบาลงอยา่าอย่าไปยึดจิตอยู่กับลมที่เราเห็นในครั้งแรกเพราะมันเปลี่ยนไปแล้ว มันเป็นอดีตไปแล้วถ้าเราไปย้อนไปอดีตใจก็จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ใจจะสงบได้ใจจะต้องอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นคุณไพฑูรย์เราเป็นสาวประเภทสองแต่ก่อนจะบวชจะมีคำถามว่าเธอเป็นชายใช่ไหมถ้าหากว่าตอบผมเป็นชายครับจะเป็นการโอกหกหรือไม่ครับเพราะเห็นแต่ร่างกายส่วนใจมองไม่เห็น ก็ร่างกายเป็นยังไงก็ว่าไปตามร่างกายเลยร่างกายเป็นชายไปว่าเป็นหญิงมันก็โกหกเห็นเวลาไปเกณฑ์ทหารเขาจะฟังเราหรือเปล่าเขาก็ไม่ดูฟังเราเราเป็นหญิงะเขาก็ดูที่ร่างกายเราถ้าร่างกายเป็นชายเขาก็เกณฑ์เราเห็นก็ต้องว่าไปตามกฎกติกาของสังคมสังคมก็อะไรเป็นหลักเขาเอาร่างกายเป็นหลักเราก็ต้องน้อมตามไปแต่แม้ว่าใจเรามันจะไม่ได้เป็นชายก็ตาม อันนั้นก็คิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเป็นเรื่องของความชอบคนเราบางทีชอบข้าวต้มนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนจีนก็อยากกินข้าวต้มนี่ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของเรื่องของใจอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่สามารถที่จะอ า, อาจจะไปใช้กับสังคมได้สังคมก็บอกไอ้ ย, อยู่เป็นฝรั่งยู่ต้องกินแฮมเบอร์เกอร์แต่ยู่มากินข้าวต้มได้ไงใช่ไห ม, ไไหมอันนี้ก็ก็ สังคมเขาว่ายัางไงเราก็ว่าตามสังคมเขาไปก็แล้วกันคำถามจากคุณสุริยาถ้าเราไปทำบุญที่วัดแล้วไปพบกับผู้ดูแลสถานที่ของวัดที่ไม่เป็นมิตรแล้วตำหนิการกระทำของเราทั้งๆ ท, ที่เราคิดว่าปฏิบัติ ด, ดีแล้วจะมีวิธีวางจิตอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์ครับก็ ว, วางใจเฉยคิดเสียว่าเขาเป็นเหมือนอสิ่งที่เราควบคุมบังคับเขาไม่ได้ เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศฝนตกแดดออกเราไปควบคุมบังคับไม่ได้คําพูดของคนถูกบ้างผิดบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้ก็ให้เราดูที่ตัวเราเป็นหลักว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันเป็นความจริงหรือไม่ถ้าเราทําไม่ถูกกฎระเบียบของวัดแล้วเขามาบอกเราเราก็ไม่ควรที่จะไปลังเกียดหรือไปโกรธเขาให้เขาให้มองเขาว่าเป็นเหมือนผู้ชี้ลุ่มทรัพย์ให้กับเรา เพราะว่าเรากำลังทำผิดเมื่อเราทำผิดเราก็เป็นเป็นสิ่งที่ผิดไปในสายตาของผู้พูดถ้าเราต้องการที่จะให้เรากลายเป็นสิ่งที่ถูกในสายตาผู้พูดเราก็ต้องปรับการกระทำของเราให้มันถูกเท่านั้นเองเน้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาใครเขาตาหนิเราว่าเราเราต้องพิจารณาดูก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นสิ่งที่จริง สิ่งที่จะทําให้เราแก้ไขความบกพร่องของเราเราควรจะขอบใจเขาเสียด้วยซ้ำไป mm hmm. เขาชี้กลุ่มทรัพย์ชี้ชี้ความดีให้กับเราตอนนี้เราทําไม่ดีทําไม่ถูก mm hmm. เขาบอกเราว่าวิธีจะทําถูกให้ทําอย่างไร mm hmm. เราก็ไม่ควรใช่จะไปโกรธเขา mm hmm. ควรจะขอบคุณเขา mm hmm. เพราะเขาหวังดีกับเราเขามีความเมตตากับเราคุณแทน ในการเดินทางไปภาวนาที่สถานปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิงโดยสถานที่เป็นภูเขาและป่าแต่คุณแม่มีความห่วงเกรงจะมีอันตรายและอยากให้ไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านหากเรายังเดินทางไปปฏิบัติภาวนาจะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกการปฏิบัติภาวนามันจะบาปยังไงไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะไม่ได้ไปทำผิดศีลไม่บาปหรอกอาจจะทำผิดใจของแม่ เท่า น, นั้นเองอาจจะทำให้แม่ไม่สบายใจแต่นี่มันก็เป็นกิเลสของแม่แม่ไม่คิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วคนอื่นที่เข้าไปก็ไม่เป็นอะไรกันหรอถ้ามันเป็นใช่ไหมแม่ก็เป็นเรื่องของแม่ที่จะต้องปรับใจของตนเองให้เข้ากับความจริงนั้นไปแบบนี้ไม่ไม่เสียหายไม่บาปถึงแม่แม่จะไม่สบายใจก็ไม่ใช่เป็นการกระทาของเราเป็นการกระทำของแม่เอง ที่ไปคิดไปในทางที่ไม่ถูกเองก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพ่อก็ไม่อยากให้ไปบวชน s <S ี่ยไปบวชพ่อพ่อก um yeah. ็เสียใจแต่ก็ต้องไปเพราะถ้าไม่ไปแล้วจะไปเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรถ้าไม่ไปปฏิบัติธรรมแล้วจะบรรลุธรรมได้อย่างไงถ้ามากลัวแต่เกรงใจแม่ก็ไม่ต้องไปไหนหลวงตามหาบวชท่านเคยพูดว่าเราเกรงธรรมมากกว่าเกรงใจคน ถ้าเก่งใจคนทำก็แหละเย่ถ้าเราต้องการรักษาธรรมเราต้องไม่เก่งใจคนต้องถือธรรมเป็นหลักคุณแคทมีสองคำถามค่ะปกติเคยพิจารณากายแต่พอเปลี่ยนดูจิตอารมณ์กิเลสและความนึกคิดแล้วคิดสุขเพราะเกิดปัญญาขอโทษค่ะแล้วติดสุขเพราะเกิดปัญญาและ คิดว่าสะดวกกว่าพิจารณากายหลังจากนั้นจึงรู้ว่ายิ่งพิจารณายิ่งห่างความสงบหนูควรเริ่มต้นใหม่อย่างไรคะคือมันต้องพิจารณาทั้งสามอย่างแล้วแต่ว่าอันไหนมาก่อนมาหลังต้องพิจารณาร่างกายต้องพิจารณาเวทน า, นาต้องเวทพิจารณาจิตทีนี้เวลาข้อสอบมันมามันไม่รู้ก็เป็นข้อสอบอันไหนถ้ากายมาก็ต้องพิจารณากายเ <S S> ช่น เวลาแก่เนี้ยผมหงอกเนี้ยใจเราทุกข์กับมันหรือเปล่าถ้าต้องทุกข์ก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันต้องแก่เป็นธรรมดาเราก็จะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันถ้าเวทนามันมาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยมีความเจ็บปวดรวดราวไปทั่วทั้งร่างกายจะทํางานก็ไม่หายก็ต้องพิจารณาเวทนาว่ามันเป็นอนัตตาว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ เราถ้าเราไม่ไปหยากให้มันหายเราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่ให้มีความทุกข์ในร่างกายเกิดขึ้นมาเรื่องมันก็เป็นไปไม่ได้เราต้องปรับใจเราให้อยู่กับความเจ็บของร่างกายให้ได้ด้วยด้วยระงับความอยากทาใจให้เฉยๆเป็นอุเบกขาถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีอันนี้ก็เปเรื่องข้อสอบของจิตเข้ามาแล้โกรธคนนั่นโกรธคนนี้ เราก็ต้องพิจารณาว่าเราลังับมันได้เปล่าถ้าลังับได้ก็ลังับไปลังับไม่ได้ก็ทําใจอยู่กับมันไปว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนดินฟ้าอากาศเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกอารมณ์ของเราก็เป็นอย่างนั้นจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยถ้าเราวิรู้วิธีปรับได้แล้วก็ปรับถ้าปรับไม่ได้ก็อยู่กับมันไปตามความเป็นจริงอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่น อ น, นี้เป็นข้อสอบต่างๆที่มันจะเข้ามาหาเราส่วนเวลาที่มันยังไม่มาเราซ้อมก่อนก็ได้คิดไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเรามีความอารมณ์ไม่ดีเครียดขึ้นมาเราจะทํายังไงถ้าเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราจะทํายังไงถ้าผมมันงอกขึ้นมาจะทําไงถ้าหนังมันเหี่ยวขึ้นมาจะทํายังไงจะทุกกับมันหรือไม่อันนี้เป็นการทํากันบ้าน ในเวลาทําการบ้านนี่เราเลือกพิจารณาได้อยากจะพิจารณาเรื่องกายก็ได้อยากจะพิจารณาเรื่องเวทนาก็ได้อยากจะพิจารณาเรื่องจิตก็ได้เพราะตอนนั้นมันยังไม่มีเหตุการณ์ยังไม่มีข้อสอบเราก็เตรียมตัวไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนเพราะถ้าไม่ทําการบ้านเดี๋เวลาเกิดข้อสอบขึ้นมาก็ทําไม่ได้ไม่รู้จะตอบอยังไงแต่ถ้าเรารู้คําตอบอยู่แล้วว่าต้องวางเฉยต้องปล่อยวางต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พอมันมีข้อสอบ้ามาเราก็จะได้เขียนลงไปเลยอันนี้จังทุกขังนะตาผู้เบิกขาวามเฉยมันก็จะไม่ทุกแต่ถ้าไม่เตรียมข้อสอบมันจะเกิดตันหาความอยากขึ้นมาทันทีพอแก่ก็อยากจะไม่แก่ขึ้นมาทันทีพอผมหมอกก็อยากจะยอมมันขึ้นมาทันทีพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะให้มันหายขึ้นมาพอจะตายก็ไม่อยากให้มันตายขึ้นมามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้ามองด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันต้องปล่อยให้มันเป็นไปเราทำอะไรไม่ได้ต้องวางใจเป็นอุเบกขาเฉยไว้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์ก็จะสอบผ่านคำถามที่สองคุณแคทนะคะเวลาหนูพิจารณาร่างกายจะเหลือแค่กรงกระดูกกับหัวใจที่ไม่หายไปที่เหลือเน่าเปื่อยย่อยสลาย แตจะเหลือโครงกระดูกทุกทีที่ยังอยู่หนูควรทําทอย่างไรต่อเจ้าคะก็ดูไปตามความเป็นจริงนะความจริงมันอะไรหายไม่หายมันก็รู้อยู่ไม่ใช่หนระกระดูกมันเป็นชิ้นสุดท้ายมที่มันจะอยู่เพราะมันแข็งกว่าส่วนอื่นส่วนอื่นเดี๋ยวมันก็เปือยแห้งกลายเป็นไปแห้งกรอบไปกลายเป็นฝุ่นไปส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ของร่างกายก็คือกระดูก อันนี้ก็พิจารณาหรือเราจะพิจารณาตามที่อย่างไรก็ได้การพิจารณานี่มันมีหลายลักษณะพิจารณาเพื่อให้เห็นความไม่สวยงามแล้วก็เลือกดูส่วนไหนที่ไม่สวยงามลำไส้นี่สวยงามไหมกระเพาะตับไตปอดหัวใจโครงกระดูกดูเพื่อทำลายความเห็นว่าร่างกายนี้สวยงามเพื่อจะได้ระงับการมลาค่ะความอยากในการแต่ถ้าพิจารณา ก็ เ, เห็นว่ามันเป็นอนิจจังก็พิจารณาไปตามสภาพตายแล้วเอาไปเผามันก็เหลือแต่ขี้เถ้าทําทนองนี้ก็พิจารณาได้อันนี้เป็นเป็นเรื่องของเราแล้วถ้าพิจารณาไม่เป็นก็เอาตามในพระสูตรที่สอนให้ดูศพคนตายแล้วมันก็จะเริ่มเน่าพองขึ้นมาแล้วก็เขียวช้ำสมัยก่อนเข้าไปทิ้งไว้ในป่าช้าเดี๋ยวก็มีแรงกามากัดมีหนอนมาชัยมีอะไรต่างๆ ก็ดูไปตามบทที่ท่านสอนให้ดูก็เรียกซากศพสิบชนิดด้วยกันถ้าเราไม่รู้วิธีพิจารณาว่าจะพิจ า, ารณาไงก็เอาตามที่พระเจ้าสอนให้พิจารณาสอนดูซากศพสิบชนิดหรือดูอาการสาสิบสองของร่างกายอย่าไปพิจารณาของเราเองเพราะเรามันมั่วคิดไปแล้วเดี๋ยวหลงตัวเองหลงหลงทางเลย พ, พิจารณาถูกก็ไม่ถูกผิดก็ไม่ผิดอย่างนี้อาเราตามที่พระเจ้าสอนดีกว่า เจ้าสอนว่าให้พิจารณาการสามสิบสองว่าในร่างกายนี้มันไม่มีตัวตนหรอกมันมีแค่อาการมีผมมีขนมีเล็บมีฟันแต่ร่าการมันไม่มีตัวตนในของมันเน่ยตัดผมทิ้งไปแล้วตัวตนหายไปกับผมหรอือเปล่าถอนฟันทิ้งไปแล้วตัวตนหายไปกับฟันหรอือเปล่ามันไม่มีมันไม่ใช่ตัวตนจะได้รู้ว่าตัวตนไม่มีในร่างกายแล้วหลอกตัวเราเองไปคิดเองว่าเป็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา มันเป็นของดินน้ำลมไฟเดี๋ยวมันกลับไปไหนร่างกายมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟมันสอนไปเรื่อยเพื่อให้ใจเราปล่อยวางไม่ให้ไปยึดไปติดกับร่างกายไม่ให้ไปถือว่าเป็นตัวเราของเราเราจะได้ไม่ทุกข์เวลาร่างกายเป็นอะไรไปคำถามที่สามของคุณแคทนะคะหากหนูเดินจงกรมแล้วเกิดง่วงนอนแต่ยังเดินต่อไปไม่ถอยมันยังภาวนาได้มีสติในการเดินไม่ล้ม ไม่มีสติพิจารณาอะไรเลยนอกจากเนื่องจากดึกมากอย่างนี้ถือว่ามาผิดทางหรือเปล่าโช้คะไม่ผิดหรอกถ้าเราอยากจะสู้กับความง่วงเราก็ต้องเดินต่อไปไม่ต้องพิจรารณาก็ได้เพียงแต่ให้มีพุทธโธพุทธโธเพื่อมีอะไรเกาะใจให้ใจไม่หลับก็บเรากันแล้วเดี๋ยวถ้ามันสักเดี๋ยวถ้าเกิดมันสงบมันก็จะตื่นขึ้นมาเองมันจะรู้สึกักตื่นขึ้นมาความง่วงที่ที่ลบเล้าจิตใจลุมเล้าจิตใจมันจะหายไป แล้วกลายเป็นความตื่นความสงบขึ้นมาก็ได้ถ้าเราต้องการทำความเพลยนเราก็ต้องสู้กับความง่วงกับความขี้เกียจแต่ถ้ามันสุดจริงๆ ร, ร, รู้สึกว่าร่างกายมันไม่ไหวจริงๆก็ต้องพักก็พักได้พักสักสองสามชั่วโมงแล้วก็ตั้งสติไว้ก่อนพักว่าพอตื่นพอมีรู้สึกตัวพุจะรีบลุกขึ้นมาปฏิบัติต่อจะไม่นอนต่อข้อสุดท้ายอ่ข้อสุดท้ายแล้วนะข้าพีกข้อ มีอีกกี่ข้อตลอดคนนี้เรียบร้อแล้วห้าหกข้อเลยค่ะแล้เอาเข้อสุดท้ายก็เลยมากเกินไปแล้วคุณมิวค่ะ <c oughs> เวลานั่งสมาธิเวลาที่จิตรเริ่มสงบนิ่งแล้วจะเกิดความกลัวควรแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ่ะไม่จริงเราถ้าสงบนิ่งมันไม่กลัวหรอกนี่แสดงว่ามันยังไม่สงบให้พุโทโธถ้าเกิดความกลัวให้เราเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งหรือทั้งสามองค์ก็ได้พุทโธพุทโธไปแล้ พุโทโธทำโมสังโคไปก็ได้จนกว่าใจจะหา ย, หายกลัวใจสงบแล้วใจก็จะหายกลัวถ้ากลัวแสดงว่ายังไม่สงบเอาลลนะ้วนาวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพพจิตรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ